ครอบครัวนึงนะมีพ่อแม่แล้วก็ลูกสองคนลูกก็ยังเล็กอยู่วันหนึ่งครอบครัวนี้ก็ไปต่างจังหวัดนะเดยไปเที่ยวครอบครัวนี้บ้านนี้เขาก็มีคนขับรถคนขับรถนี่ก็เป็นผู้ที่ขับพาไปต่างจังหวัดระหว่างทางเนี่ยขณะที่รถกําลังแล่นด้วยความเร็วสูงจู่ๆคนขับก็เกิดหัวใจวายอนะ่า ปุบลงคาพงมาลเลยเลยผู้โดยสารเนี่ยก็ตกใจกันนะโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็นึกถึงลูกขึ้นมานว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุจะทำย่างไรเพราะรถเนี่ยมันเล่นเร็วขึ้นเรื่อยเรื่อยเนื่องจากคนขับเนี่ยเหยียบคันเร่งนิมิตเลยในช่วงที่หน้าสื่อหน้าขวานเนี่ยนะก็พยายามนะที่จะชะลอรถ สามีนี่ก็นั่งอยู่เบาะหน้านะข้างคนขับแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปชะลอรถได้นะเพราะว่าคันเร่งเนี่ยมันถูกเหยียบจนมิดเลยก็ทำได้แต่เพียงแค่จับพวงมาลัยนะแค่บังคับพวงมาลัยให้มันอยู่ในทาง ในช่วงที่วิกฤิเนี่ยนะมันก็มีเสียงร้องด้วยความตกใจเดยเพราะจากเบาะหลังผู้เป็นแม่นี่ก็กลัวว่าเนี่ยถ้าเกิดรถมันเล่นไปเร็วๆอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายก็คงจะเกิดอุบัติเหตุนะดยเพราะตอนที่มันเลี้ยวโคง้งแต่ว่าตัวสามีเนี่ยเขาก็ไม่จะตกใจไงนะเขาก็มีสตินะ แล้วตอนนั้นเองเขาก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเนี่ยปรับเบาะคนขับนะให้มันเคยื่อนไปข้างหลังสักหน่อยพอปรับเบาคนขับให้มันถอยไปข้างหลังเนี่ยพาของคนขับที่มันเหยียบคันเร่งเนี่ยจนมิดแรงก็ผ่อนคลายแล้วขณะเดียวกันมันก็มีช่องว่างพอที่จะทําให้นะสามีเนี่ยซึ่งนั่งอยู่ข้างคนขับเนี่ย สามารถบังคับรถได้ค่อยๆเหยียบเบรกชะลอรถให้ค่อยๆลดความเร็วลงจนทั้งรถนิ่นงสนิทอันนี้ท่าเรานึกภาพนะาเกิดคนในรถนี่ตื่นตกใจกันหมดเนี่ยในการที่จะเกิดความคิดนะขึ้นมาว่าเนี่ย ปรับบอกคนขับให้ขยับไปข้างหลังสักหน่อยเพื่อที่ได้ยื่นเท้าเนี่ยไปเหยียบเบรกหรือชะลอให้รถเนี่ยมันช้าลงมัคนคงเกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าเป็นเพราะผู้ชา ย, ยานี้มีสตินะเขาก็เลยเห็นเห็นทางออกนะว่ามันมีวิธีนี่แหละนะคือปรับบอกคนขับ เพือก็ทำให้รถเนี่ยในที่สุดก็สลอแล้วก็จอดสนิทได้ก็ไม่ได้รอดตายนะอันนี้รอดตายเพราะว่าสติโดยแท้เลยเพอถ้าเกิดว่าตื่นตกใจเนี่ยมันก็คงคิดอะไรไม่ออกแล้วก็อาจจะทําบางทีอาจจะทำอะไรที่ผิดพลาดอย่างคนบางคนเนี่ยพอรถ เพ่อนกำลังขับเร็วเนี่ยยังแตกขึ้นมานสิ่งที่ทําเดือยวตัวลงมากก็คืออะไรด้วยความตกใจก็เหยียบเบรกเลยพอเหยียบเบรกก็รถก็คลิกความเท่านั้นแหละแต่ทุกคนที่มีสตินะเขาก็ถากข้ามใจได้นะไม่ปล่อยให้ความกลัวเข้ามาหรือความตกใจเนี่ยเข้ามาครอบงาจิตรงกระทั่งปัญญามันไม่เกิดขึ้น ในยามที่เรียกว่าวิกฤตหรือว่าเข้าได้เข้าเข็มเนียธรรมดานะัคนเราก็จะมีความกลัวความตื่นตระหนกแต่ถ้าเกิดว่ามีสติเนี่ยมันก็ทำให้ออกจากความตื่นตระหนกได้เกิด ค, ความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ปัญญาก็จะตามมาสามารถแก้ไขปัญหาได้ ไม่งั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดสิ่งที่ทำไปก็อาจจะกลายเป็นสร้างปัญหาขึ้นมาไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาพระเจา้าปุตตะธานเคยเล่ า, มาเมื่อสักหกสบกว่าปีก่อนเนี่ยนะแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งเนี่ยกำลังดูแลลูกอยู่แต่พังเอิญ น, นะกลแบบไปไปทำธุระประเดี๋ยวเดีย ว, เ, ยวเพราะว่าเด็กเนี่ย ไปคว้าสตังแดงนะสมัยก่อนเนี่ยเวลานั้นเนี่ยเราใช้สตังเนี่ยหนึ่งสตังนี่ก็มีค่านะแล้วก็สตังแดงเนี่ยมันก็เป็นทําด้วยทองแดงเด็กก็ภาษาเด็กนะก็คว้าเหรียญเนี่ยใส่ปากแล้วก็ติดคอติดคอเด็กก็มีอาการหายใจไม่ค่อยออกแม่ กลับมาบดีก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตกใจมากทําทำอะไรไม่ถูกเลยในช่วงนั้นเนี่ยก็นึกขึ้นมาได้นะว่าไอ้น้ำกรดเนี่ยมันสามารถที่จะกัดของแดงหรือสตางแดงได้สตางแดงติดคอแล้วก็กรองน้ํากรดลงไปนมันก็ได้ผลนะก็คือสตางแดงสตางแดงเนี่ยมันก็ไม่ติดคอแล้วล่ะแต่เกิดอะไรขึ้นกับคอของเด็กนะ ก็ถูกน้ำกรดนี่มันกัดนะก็เรียกว่าเด็กก็ปวดเลยนะไม่รู้ว่ารอดตายหรือเปล่าในยามนั้นเนี่ยแม่เนี่ยมีความตื่นตระห น, นอกตกใจมากนะแล้วเนื่องจากสติมาไม่ทันเนี่ยมันก็เกิดความคิดแบบครึ่งๆกลางๆนะว่า ความรู้ที่มันเกิดขึ้นที่ตามมาเนี่ยหรือปัญญาเนี่ยมันก็มาแบบกระท่อนกระแท่นก็คือว่าออน้ำกรดเนี่ยมันกัดทองแดงได้เพราะฉะนั้นกรอกใส่ปากลูกซะเลยแต่ว่าไม่ได้เฉลิลาใจว่าไอ้ทองแดงเนี่ยมันถูกกัดด้วยน้ำกรดก็จริงนะแต่ว่าน้ำกรดเนี่ยมันก็ไปทำลายคอลำคอของเด็กนะจนเสียหาย หรืออาจจะถึงกับตายก็ได้อันนี้เรียกว่าถ้าขาดสติเนี่ยปัญญาที่เกิดขึ้นหรือความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ออกมาแบบครึ่งๆกลางๆนะแต่ถ้าเกิดว่ามีสติเนี่ยมันก็จะรู้นะว่าทำอย่างนั้นไม่ได้นะเอาน้ำกรดกรอกปากลูกไม่ได้เพราะว่าสตางค์แดงเนี่ยมันอาจาจะหลุดจากคอ แต่น้ำกดมันก็ไปกัดคอของลูกจนเสียหายสองเรื่องนี้มันก็ชี้เห็นนะว่าคนเราเนี่ยในยามที่มีสติเนี่ยก็สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ เกิดปัญหาที่รุนแรงขึ้นก็ได้หรืออยังน้อยก็ไม่ได้แก้ปัญหาสติเนี่ยมันมีความสําคัญนะโดยเฉพาะในยามวิกฤตนยามหน้าสือ่อหน้าครา น, นยามที่เรียกว่าความเป็นความตายแต่ที่จริงเนี่ยมันมันมีประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะในยามวิกฤตนะแต่ว่าในชีวิตประจำวันเราก็ขาดสติไม่ได้ คนเราถ้าขาดสติไม่รู้สึกตัวแค่เดินลงบันไดก็อาจจะหกล้มหัวฟาดพื้นหรือเดินเข้าห้องน้ำก็อาจจะลื่นถลไมหัวกระแทกกับพื้นก็เรียกว่าถ้าไม่เจ็บป่วยก็พิการหรืออาจจะปางตายสติเนี่ยมันทำหน้าที่อย่างไรนะ ในยามที่คนเราเนี่ยเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นมามันทำให้เราหลุดเนี่ยทาให้จิตของเราเนี่ยหลุดจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะเช่นความตื่นตนหนกเนี่ยพอมีความตื่นตหนกเข้าเนี่ยถ้าปล่อยความตื่นตหนกตกใจคลองใจเนี่ยในบางสาการนี่มันก็ช่วยนะเช่น เห็นงูหรือเห็นสัตว์ร้ายเนี่ยวิ่งมาความตื่นตระหนกก็ทำให้เราเนี่ยสามารถจะมีปฏิกิริยาได้ทันควันเช่นหนีไม่ต้องคิดอะไรเลยมันมันวิ่งอย่างเดียวเลยแต่ว่าในบางสถานการณ์เนี่ยมันกลายเป็นอุปสรรคมันทำให้เราไม่สามารถจะใช้ความคิดหรือว่าใช้ปัญญามาแก้ไข สถานการณ์ได้หรือปัญญาที่มามันก็เป็นปัญญาแบบครึ่งๆึกลางๆซึ่งก็สร้างปัญหาได้เหมือนกันสติทำให้อารมณ์เนี่ยไม่สามารถจะครอบงำจิตได้ไม่ใช่แค่ความตื่นตระหนกแต่รวมไปถึงความโกรธความเกลียดหรือความโลภตัณหาราคะ นะอย่างที่หลายคนเนี่ยชีวิตเนี่ย mm hmm. ก็เรียกหมดอนาคตไปเลยนะเพราะว่าหน้ามืดหน้ามืดเพรา ะ, ะ <c oughs> เห็นของมีค่าอยู่ต่อหน้าหากห้ามใจไม่ได้หรือหน้ามืดจนกระทั่งไปทํามิดีมิร้ายนะกับคนอื่นจร้จริงสติเนี่ยมัน ไม่ใช่เพียงแค่ช่วยทำให้เราหลุดจากอารมณ์นะแต่มันยังช่วยทําให้เราเรู้ทันความคิดความคิดที่เกิดขึ้นถ้าเราปล่อยให้มันครอบ ง, งําใจหรือถ้าเราปล่อยใจไปตามความคิดทุกเรื่องเลยนะเราคงแย่เกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวล เกิดความหงุดหงิดลำคันใจหรือนอนไม่หลับแต่เป็นเพราะเรารู้ทันความคิดแล้วเราทำให้เราสามารถจะวางความคิดได้สตินี่มันช่วยทําให้เราเรารึกนะเราลึกนะึกถึงสิ่งต่างๆได้ตรงเนี้คือสติที่เราใช้เป็นประจำนะเราทําอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องสามารถจะระลึกนึก ถึงสิ่งต่างๆได้เราทำงานเราก็ต้องสามารถเราลึกถึงความรู้ที่เรามีเราใช้สติเนี่ยในการดาเนินชีวิตประจาวันนะตลอดเลยแต่ว่าสตินั่นเป็นสติแบบสามัญ น, นะเรียกสามัญยสติก็ได้นะมันมีสติชนิดหนึ่งนะเราเรียกว่าสัมมาสติ สัมมาสติเนี่ยมันแตกต่างจากสติที่เรามีหรือที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะไอ้ที่เรามาฝึกกันเนี่ยเรามาฝึกเพื่อสร้างสัมมาสติขึ้นมาสัมมาสติที่มันแตกต่างจากสติธรรมดาอย่างไรนะสติธรรมดาเนี่ยเราใช้เพื่อการเราลึกนึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือสิ่งที่เรารับรู้ในอดีตเช่น ถามว่าเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยอาตอมาพูดเรื่องอะไรจะตอบได้ก็ต้องสามารถจะลึกแะลึกได้นะว่าถึงสิ่งที่ได้ฟังนะเมื่อเช้านี้เราใช้สติเนี่ยเวลาเราทํางานทําการเวลาเราเจอโทรศัพท์ถึงเพื่อนเวลาเราอ่านนัดหมายใครเราก็ระลึกได้ว่าเนี่ย นัดหมายกันพูดกันตกลงกันเมื่อไหร่อันนี้เรียกว่าเป็นการระลึกได้ในเรื่องที่เป็นอดีตแต่สัมมาสติเนี่ยนะมันเป็นความระลึกได้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันเช่นขณะที่เราเดินจงกรมอยู่ขณะที่เราสร้างจังหวะอยู่เนี่ยบางทีเราลืมนะเราลืมว่ากำลังเดินเราลืมว่ากาลัง ยกมือแล้วเราก็หลายไปใ น, ปในความคิดแต่แล้วสักพักเราก็ระลึกได้ว่ากำลังเดินอยู่กำลังยกมือสร้างจังหวะอยู่หรือเมื่อกี้เราสวดมนต์เนี่ยนะใจเราก็ลอยนะไปนึกถึงลูกนะนึกถึงงานที่ค้างคา หรือนึกถึงเรื่องราวนะที่เราได้พูดคุยสนทนากันเมื่อตอนบ่ายแต่สักพักเนี่ยนะก็มีสติระลึกได้ว่าเรากําลังสวดมนต์อยู่ตรงนี้แหละไอ้ความระลึกได้ตรงนี้มันเกิดจากสัมมาสติมันไม่ใช่ระลึกได้ถึงเรื่องในอดีตแต่มันระลึกได้ถึงสิ่งที่กาลังทําในปัจจุบัน หลายคนมีความจําที่ดีนะจาถึงจําว่าหนังสือที่อ่านข้อความที่เห็นเมื่อวานนี้เมืออาทิตย์ที่แล้วหรือเดือนที่แล้วบางคนจําเบอร์โทรศัพท์เพื่อนได้อย่างรวดเร็วถามเพื่อเบอร์โท ร, โทรศัพท์เนี่ยเบอร์อะไรเนี่ยเพื่อนตอบก็จําได้เลยทั้งที่ผ่านไปแล้ว5วัน พอถามก็นึกได้อันนี้เราเรียกว่าเป็นคนที่มีความจำเก่งระลึกได้ไวอันนี้คือสติที่เราใช้ใ น, ในชีวิตประจำวันซึ่งเราเป็นสติ3มมันแต่ว่าคนที่จำเก่งเนี่ยก็อาจจะใจลอยได้ง่ายทำอะไรก็ใจลอยกินข้าวใจก็ลอยกว่าจะระลึกได้ว่กากำลังกินข้าวอยู่นะ ก็คิดไปแล้วหลายเรื่องถ้าเราสังเกตัม้มตอนเวลาเรากินข้าวเนี่ยใจเราก็ลอยนะเสร็จแล้วเนี่ยสักพักเนี่ยมันก็ระลึกได้ว่ากำลังกินข้าวอยู่ตรงนี้แหละนะคือสัมมาสติซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันทำงานได้เชื่องช้ามากก็เลยตกอยู่ในอหนาจของความคิดและอารมณ์อยู่เป็นประจำ กายเป็นคนใจลอยเสร็จแล้วพอปล่อยให้ความคิดมันเรียราดนะมันพาเราไปอดีตบ้างมันพาเราไปอนาคตบ้างเราก็เลยจมอยู่กับความทุกข์ที่ตามมานะคิดถึงอดีตก็โกรธเศร้าเครียดแค้นคิดถึงอนาคตหรือพอใจลอยไปอนาคตก็เกิดความวิตกกังวลหนักอกหนักใจในสิ่งที่ยังไม่เกิดแต่พอเรามี สติระลึกได้กำลังทำอะไรอยู่นะมันกลับมาปัจจุบันเลยนี่คือความแตกต่างประการแรกนะระหว่างสติธรรมดากับสติสัมมาสติการต่ อ, อมาคือว่าสติธรรมดาเนี่ยมันเป็นความระลึกได้เกี่ยวกับสิ่งนอกตัวจำได้ว่าวางโทรศัพท์ไว้ที่ไหนจำได้ว่าถอดรองเท้าไว้ที่ไหนจำได้ว่า ห้องพักเนี่ยเบอร์อะไรนะแต่สมาสติเนี่ยมันเป็นความระลึกได้ในสิ่งที่เป็นเรียกว่าตัวเองคือระลึกรู้กายและใจรนะะลึกได้ว่ากาลังทาอะไรอยู่มันไม่ใช่เรื่องหนักตัวนะมันเป็นระลึกได้เป็นความระลึกได้เกี่ยวกับตัวเองหรือ เรียกว่ารู้กายรู้ใจระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่นี่ก็เป็นเรื่องตัวเองรู้ว่ากายกำลังทำอะไรอยู่บางทีก็เห็นความคิดที่เกิดขึ้นนะที่มันเพิ่งผ่านไป อ, อันนี้ก็เรียกว่าเป็นงานของสัมมาสติแล้วประการต่อมาคือว่าสติธรรมดาเนี่ยคือความระลึกได้เนี่ยบางทีไม่ต้องใส่ความตั้งใจนะเช่นเมื่อช้านี้เรากินข้าวกับอะไร เราก็ต้องนั่งนึกสักหน่อยนะถึงจะตอบได้ว่ากิ่นข้าวกับอะไรเมื่อเช้านะได้ฟังทำเรื่องอะไรนะต้องตั้งใจนึกสักหน่อยถึงจะระลึกได้แต่ว่าสมาสติคือความระลึกได้กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นเองนะเราสังเกตได้ในเวลาเดินจงกรมเราสร้างจังหวะเนี่ยนะอยู่จะมันนึกขึ้นมาได้เองว่าขึ้นมานึกขึ้นมาได้เองนะว่า ตอนนี้กำลังเดินอยู่ใจลอยขณะที่สวดมนต์อยู่จู่ๆมันก็นึกขึ้นมาได้แล้วลึกขึ้นมาได้ว่ากาลังสวดมนต์อยู่มันเป็นความระลึกได้ที่เกิดขึ้นมาเองที่จริงมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่อยู่ในอำนาจของเราที่จะควบคุมได้และเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องฝึกจากการปฏิบัตินะนกขึ้นมาได้เองรู้ตัวขึ้นมาได้เอง ที่เราที่เราฝึกปฏิบัติเนี่ยเพื่อเปิดโอกาสหรือเป็นการส่งเสริมให้สัมมสติมันทำงานด้วยการเรือลึกขึ้นมาได้เองนะว่าตอนนี้เรากาลังเดินอยู่ตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่ตอนนี้เรากาลังกินข่าอยู่ตอนนี้เรากาลังสวดมนต์อยู่หรือตอนนี้เรากาลังฟังธรรมอยู่และวิธีการปฏิบัติเนี่ยนะมันก็ต้องนะอย่างที่ พูดยำอยู่หลายครั้งนะว่าจะไปพยายามควบคุมความคิดอย่าไปบังคับจิตพูดอีกอย่างก็คือว่ายอมให้ทุกความคิดทุกอารมณ์มันเกิดขึ้นได้ตรงนี้เนี่ยคนที่ปฏิบัติเนี่ยใหม่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยยอมเท่าไหร่อยากจะให้มีแต่ความคิดดีๆเกิดขึ้นหรือให้ความคิดมันดับไป พยายามบังคับจิตให้ไม่มีความคิดฟุ้งซ่านพยายามบังคับอารมณ์ไม่ให้มีความหงุดหงิดนะเราไปมุ่งบังคับจิตมุ่งบังคับความคิดและอารมณ์แต่ว่าในการปฏิบัติเนี่ยถ้าจะได้ผลเนี่ยมันต้องยอมให้ทุกความคิดทุกอารมณ์เกิดขึ้นได้แม้เร า, า จ, จะไม่ชอบก็ตาม ความคิดหรือจิตใจเราเนี่ยบางทีเปรียบได้เหมือนกับเรือนว่างนะพระเจ้าตรัสว่าในเรือนว่างเนี่ ย, ยที่อยู่ข้างทางเนี่ยใครๆก็มาพักได้ใครๆก็มาใช้สอยได้ไม่สามารถจะห้ามได้จิตของเราก็เหมือนกันนะมันก็มีความคิดทุกอย่างเกิดขึ้นได้จะไปกําหนดว่าเนี่ยความคิดแบบนี้ไม่เอาหรือว่าจะไปบังคับไม่ให้มีความคิดเกิดขึ้นเลยนี่ มันทำไม่ได้แล้วก็ไม่ควรทำด้วยแต่หลายคนในเวลาปฏิบัติเนี่ยตั้งใจว่าเนี่ยจะปุ่มความคิดไม่ให้มีความคิดเกิดขึ้นแต่พอคิดแบบนี้เข้าเนี่ยมันก็เรียกว่าผิดตั้งแต่แรกนะหลวงปู่ดูลเนี่ยท่านให้คำแนะนำที่ดีนะท่านบอกว่าไอ้ความคิดมันก็เหมือนกับลมหายใจนะมันเกิดขึ้นได้เสมอห้ามไม่ได้เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อดับความคิด เอาแค่ว่าเนี่ยรู้ทันจิตเวลามันคิดนึกเท่านี้ก็พออย่าฝันทั้งทั้งที่ทตื่นคืออย่าปล่อยให้หลงคิดโดยไม่รู้ตัวแค่รู้ทันเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วลราจะรู้ทันได้ยังไง ร, รู้ทันก็เพราะมีสตินั่นแหละหน้าที่ของเราเนี่ยนะก็คือรู้ทันเวลามันมีความคิดและอารมณ์เกิดขึ้น ไม่ใช่ไปบังคับจิตไม่ให้คิดหรือพยายามห้ามความคิดหลวงพ่เถือนท่านเน้นอยู่เสมอนะว่าเนี่ยอย่าไปห้ามความคิดนะท่านถึงก็บอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้ปล่อยให้มันคิดไปเพราะพอคิดเนี่ยหรือหลงคิดเนี่ยนะมันก็เป็นแบบฝึกหัดให้สติได้มารู้ทันนะยิ่งคิดก็ยิ่งรู้ไม่ๆมันรู้ได้แค่ส0 แต่ต่อไปมันก็จะรู้ 20% แล้วก็รู้ 30% มันจะรู้ได้มากขึ้นเรื่อยๆ เ, เพราะว่ายอมให้หลงนะหรือว่ายอมเผลอยอมให้มีความผิดต่างๆเกิดขึ้นครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าไปส่งจิตออกนอกนะอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรทำแต่ก็พึงระ ล, ลึกว่าเราไม่สามารถบังคับจิตไม่ให้ส่งออกนอกได้ แต่ถ้ามันส่งไปเมื่อไหร่นะก็มีสติรู้ทันใหม่ๆเนี่ยมันก็จะรู้ทันช้าเราก็ต้องอดทนเราก็ต้องมีความรู้จักคอยทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะรู้ทันได้ไวขึ้นสมัมมาสติก็จะทำงานได้ไวขึ้นสมัมมาสติก็จะทำงานได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราต้องเตือนใจตัวเองนะว่าเนี่ยเรายอมเราอนุญาตให้ทุกความคิดมันเกิดขึ้นได้ เพราะว่าเราไม่สามารถบังคับให้มีแต่ความคิดที่ต้องการหรืออารมณ์ที่พึงปรารถนาแล้วจริงๆแล้วก็เป็นธรรมชาติของจิตที่มันจะคิดสารพัดนั่นเป็นหน้าที่ของมันแต่หน้าที่ของเราคือรู้ทันมันเหมือนกับเราดูถนนแล้วก็มีรถผ่านไปผ่านมาหน้าที่ของเราคือดูรถที่ผ่านไปผ่านมาแต่ว่าไม่ใช่ไปไปห้ามรถ ไปห้ามรถให้มันหยุดก็ไม่ใช่หรือว่าเห็นรถคันไหนดีขึ้นรถไปเลยก็ไม่ใช่ไอ้รถเนี่ยก็คือความคิดนั่นแหละไม่ต้องไปห้ามมันแต่ก็ไม่ใช่ไปตามมันนะก็แค่แค่ดูมันเห็นมันมาเห็นมันไปบางทีมันก็ไม่มีรถเลยแต่บางทีก็มีรถแล่นเป็นสายก็แค่ดูมันแล้วถ้าเราดูมันเห็นมันบ่อยๆเนี่ยต่อไปมันก็จะ รู้ทันได้ไวแล้วก็ไม่หลงตกเป็นท่าของความคิดรวมทั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นอวันนี้พเทานี้นะ